เฉีงตามสบายเนะจะกลับก็ได้จะอยู่ก็ได้ถ้าอยู่ก็ขอให้นั่งเฉยๆอย่าคุยกันอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวจะพูดธรรมะให้ฟังวันนี้เป็นวันทวันวันพระ วันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าการหาความสุขทางร่างกายให้พักหนึ่งวันให้มาลองหาความสุขทางจิตใจเพราะความสุขทางจิตใจมีประโยชน์กว่ามีความสุขมากกว่าความสุขทางร่างกาย ความสุขทางใจเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจแต่คนที่หาความสุขทางใจได้ จะสามารถหาไปได้เรื่อยๆไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็สามารถหาความสุขทางใจได้เสมอ <Okay. S 1> ส่วนความสุขทางร่างกาย <Okay. S 1> ก็หาได้เฉพาะเวลาที่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถ หาความสุขได้ดังนั้นเราควรที่จะมาหาความสุขสำรองคือความสุขทางใจเผื่อเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เช่นเวลาเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราแก่มากๆเวลาเราตาย เราก็จะได้มีความสุขสำรองมาให้ความสุขกับเราคือความสุขทางใจเพาะความสุขทางใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขสามารถหาได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ให้เรามาสร้างธรรมะที่จะสร้างความสุขให้กับใจ ธรรมะที่เราต้องสร้างข้อแรกก็คือศีลต้องมาถือศีล8กันการถือศีล8จะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจเพราะศีล8จะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายจะไม่ให้ไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนจะไม่ให้ไปหาความสุขจากการรับประทานอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่ให้ไปหาความสุขจาการูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมหรสพบันเทิงต่างๆเช่นการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงตามสถานที่ท่องเที่ยวไปงานเลี้ยงไปดูมหรสยไปดูภาพยนตร์ดูลิเกดูละคร การหาความสุขแบบนี้ห้ามไม่ให้หาเพราะถ้าไปแล้วก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจความสุขทางร่างกายนี้ให้ยุติวัน ห, หนึ่งวันแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปนอนพอต่อความต้องการของร่างกายก็พอร่างกายนี้ได้พักผ่อนหลับนอน 4-5 ห้าชั่วโมงก็จะพอ แต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ น, นอนบนเตียงที่ใหญ่ที่สบายเวลานั่งกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่ยอมลุกเพราะมันสบายก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงทำให้เสียเวลาทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจนี่คือ ธรรมะข้อที่หนึ่งคือต้องถือศีลแปถึงจะมีเวลามาสร้างความสุขทางใจได้ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยววันนี้มีงานเลี้ยงก็ไปแล้งานแต่งงานก็ไปแล้วเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไปกันละแต่ถ้าถือศีลแปนี่ก็ต้องบอกเขาแล้วว่าวันนี้ขอพัยครับขอพัยค่ะวันนี้ ไปไม่ได้วันนี้ถือศีลแปดอันนี้จะไปอยู่วัดหรืออยู่บ้านถ้าไม่มีที่วัดวัดไม่มีที่อยู่ก็อยู่ที่บ้านถ้าอยู่คนเดียวได้ดีจะได้ไม่มีมารมาผจญมาลบกวนใจถ้าอยู่กับคนอื่นที่เขาไม่ได้ถือศีลแปดเหนียวเขาก็จะชวนเรากินข้าวเย็ยน เดี๋ยวเขาก็จะหาที่สงบอยู่ส่วนใหญ่ก็มักจะไปอยู่ที่วัดกันเพราะที่วัดเป็นที่รวมของคนที่ถือศีลแปดด้วยกันก็จะทำอะไรเหมือนกันตอนเย็นแทนที่จะมานั่งรับประทานอาหารก็มานั่งสวดมนต์กันมานั่งสมาธิกันตอนบ่ายก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอันนี้เป็น เป็นเหตุผลที่ทาไมผู้ที่อยากจะสร้างความสุขทางใจจาเป็นที่จะต้องถือศีลแปดเลยพอเราถือศีลแปได้แล้วเราก็จะมีเวลาว่างอย่างบา ย, บายตอนนี้สองโมงเราก็มาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาวิธีการสร้างความสุขทางใจว่าต้องทำอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งก็ให้ถือศีลแปด ข้อที่สองก็ให้เจริญสติให้มีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจที่ชอบคิดไปแบบสิตัง้งแต่ถึงคนนี้คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆถ้าอารมณ์ดีก็ดีไปถ้าอารมณ์ไม่ดีก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดความอยากก็ต้องไปหาไปทำตามความอยาก ถ้าไม่ได้ทําก็เครียดอีกทุกข์อีกอันนี้เกิดจาการปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าเราควบคุมความคิดได้ด้วยสติสตินี้จะเป็นผู้ที่สั่งให้ใจหยุดคิดได้สมมุติว่าถ้าเรามีสติพอเราเห็นใจคิดเราก็บอกว่าหยุดคิดไม่ต้องคิดมันก็หยุดนะถ้าบอกให้มันหยุดแล้วมันไม่หยุดแสดงว่าไม่มีสติ เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราเหยียบเบรกแล้วรถมันวิ่งต่อไปก็แสดงว่ารถไม่มีเบรกก็ต้องเอาเข้าอู่ไปให้ช่างเ้าซ่อมทำให้มีเบรกขึ้นม า, าถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้สั่งให้ความสั่งให้หยุดแล้วความคิดมันไม่หยุดแสดงว่าเราไม่มีสติพอเราไม่มีสติเราก็ต้องมาสร้างสติกัน มาวัดนี้ก็เพื่อมาสร้างสติเหมือนกับเอาต้นยนต์ไปที่อู่ซ่อมรถยนต์เพื่อให้เขาซ่อมเบร k ให้เขาสร้างเบร k ขึ้นมาใหม่ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องมาเข้าวัดกันเพื่อที่จะมาติดเบร k กันเบร k ของใจก็คือสติถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดได้ นั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิขึ้นมาถ้านั่งแล้วไม่สงบนี้แสดงว่ายังไม่มีเบรกยังไม่มีสติกำลังยังไม่มากพอต้องสร้างสติให้มากก่อนที่จะมานั่งสมาธินี้ต้องสร้างสติกันวิธีสร้างสติก็มีอยู่ต้องสีสิบวิธีได้กกน ถ้าเราใช้พุทธโธก็เป็นพุทธานุสติสร้างสติด้วยการใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าท่องไปเรื่อยๆเดินขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเลยไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวให้ใจมีพุทธโธพุทธโธกากับควบคุมเอาไว้ อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่อยเปยเดี๋ยวคิดถึงเพื่อนคิดถึงที่เที่ยวเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวกันนะแทนที่จะอยู่บ้านอยู่วัด <c oughs> ก็จะไม่ได้อยู่ถ้าไม่มีสติก็คุมความคิดฉนะันต้องใช้ถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างขึ้นมาใช้วิใช้สร้างด้วยพุทธโธก็ได้ใช้สร้างด้วยการ เฝราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ให้เฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทำอะไรอยู่กําลังเดินกําลังนั่งกําลังยืนกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารกําลังทำกับข้าวกำลังซักผ้าไม่ว่ากาลังทำอะไรให้ใจเฝ้าดูอยู่กับการกระทำของร่างกาย ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้ามันจะไปคิดก็ต้องใช้พุโทโธช่วยอันหนึ่งก็ได้ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าจะใช้มรณานุสติก็ให้ท่องว่าตายตายตายไปเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจะไปทำอะไรให้เสียเวลาทำไมหามาได้มากน้อยเป็นไงตายไปก็ออกไปไม่ได้ ได้อะไรมาพอตายไปก็ต้องทิ้งไว้หมดสู้อย่าไปหาให้มันเสียเวลาดีกว่ามาหาสิ่งที่เราเอาไปได้ดีกว่าสิ่งที่เราไปได้ก็คือความสุขทางใจที่เกิดจากการทำใจให้สงบอันนี้เราสามารถเอาติดไปกับเราได้ถ้าเรามีความสุขทางใจไปกับเราเราก็ไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ จนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนี่คือการใช้ความตายแล้วลึกถึงความตายถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายนี้เราจะไม่อยากไปไหนแล้วสมมติว่าถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้ที่ยังอยากจะไปเที่ยวหรือเปล่ายังอยากจะมีแฟนหรือเปล่ายังอยากจะหาเงินหาทองอยู่หรือเปล่าไ ม, ไม่อยากหาแล้ว เมื่อมันรู้ว่าจะต้องตายไปในไม่กี่วันข้างหน้านี้มันอยากจะหาความสงบตองอย่างเดียวเพราะตอนนี้มันแสนทรม า, มานใจพอรู้ว่าจะต้องตาย ใ, ใจจะเครียดขึ้นมาทันทีใจจะปุงแต่งด้วยความหวาดกลัวกลัวความตายไม่อยากตายแล้วก็พยายามดิน้นหาวิธีทำยังไงไม่ให้มันตายแต่หาอย่างไงก็ไม่มีวิธีใด ที่จะมายับยั้งความตายได้แต่ถ้าทําใจให้สงบได้ก็จะไม่เดือดร้อนตายก็ตายไปเรามีความสุขสัอย่างมันไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีความสุขแล้วร่างกายจะอยู่จะตายนี้เท่ากันเป็นตายเท่ากันไม่เดือดร้อนนี่คือการใช้สติเพื่อมาหยุดความคิดต่างๆ หยความอยากต่างๆพอเรามีสติแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิจะนั่งด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือจะนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเราทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดบางคนก็พุโทโธอย่างเดียวนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธ มีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปถ้าไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็จะวูบลงไปเหมือนกับตกลงนิ่งสงบมีความสุขเบา อ, อกเบาใจถ้าใช้ลมหายใจก็เหมือนกันก็ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูเข้าดูออกมันอย่างนี้ไม่ต้องไปดูอะไรอย่างอื่นดูแต่ลมเพียงอย่างเดียว แล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบบางคนชอบใช้สองอย่างผสมกันก็ได้ถ้าชอบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่ชอบก็อย่าไปใช้มันบางคนชอบหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทก็ทาไปบางคนก็เอาพุทโทพุทโทอย่างเดียวไม่ต้องดูลมบางคนดูลมไม่เอาพุทโทก็ได้เหมือนกัน ขอให้ใจอย่าไปคิดอะไรให้อยู่กับลมจริงๆให้อยู่กับพุโทโธจริงๆเท่านั้นเองแล้วมันก็จะสงบตัวลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็วุบลงไปแล้วใจก็เย็นสบายมีความสุขไม่รู้สึกอะไรกับอะไรใจจะวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินเสียงก็ไม่ราคาญหู ร่างกายเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ไม่ลาคาญอยู่กับมันได้อยู่กับสิ่งที่มาให้สัมผัสรับรู้ได้ถ้ามันลงไปลึกกว่านี้ก็าหายไปหมดเลยรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็จะหายไปร่างกายก็จะหายไปเหนือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงอย่างเดียวก็อยู่กับสั์แต่ว่ารู้ไปให้นานที่สุดขณะ จ, จิตสงบนี้ไม่ต้องทําอะไร ยังไม่ต้องเจริญปัญญาตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาตอนนี้เป็นเวลาที่จะประครับประคองความความสงบด้วยสติด้วยด้วยการสัตวารู้นี้ให้อยู่ไปนานๆอย่าไปคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งแล้วมันจะถอนออกจากความสงบ ก, การใช้ปัญญานี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเห็น การจะใช้ปัญญานี้ตั้งรอให้จิตถอนออกจากความสงบก่อนถอนออกจากสมาธิก่อนพอถอนออกจากสมาธิมาแล้วนิ่มคิดปร่งแต่ถึงจะคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางปัญญาก็ให้คิดที่สิ่งที่เรามีที่เรารักที่เราหวงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว เช้นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเราชื่อเสียงของเราตำแหน่งของเราความสุขของเราทางตาหูจมูกเล่นกายคือร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของสามีของภรรยาของพ่อของแม่ของเพื่อนของบุตรของทิดาของญาติสนิทมิตรสหาย เป็นอนิจจังทั้งนั้นคือไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปถ้าเรารู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจให้เขาไปเวลาเขาไปเราก็จะไม่เสียอกเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเขาจะจากเราไปพอเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจ เราจะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจปล่อยเขาเราจะอยากให้เขาอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่ก็เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อมาแก้ความเศร้าโศกเสียใจถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นตําแหน่ง ฐานะอะไรก็ตามยศฐานบรรดาศักไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันจากเราไปเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราแต่ไม่ช้าก็เร็วมันกับเราก็ต้องจากกันไป ให้สอนใจให้คิดอย่างนี้มีอะไรก็ต้องเตรียมตัวที่จะต้องจากกันมีเงินทองตีร้อยล้านพันล้านทั้งวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องจากกันมีสามีมีภรรยาก็ต้องจากกันมีตำแหน่งจะเป็นนายกจะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องมีวันจบมีวันสิ้นสุด จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเสื่อมลงไปตาก็จะบวตาก็จะมองอะไรไม่เห็นหูก็จะไม่ได้ยินต่อไปก็จะไม่สามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขได้แต่ถ้าเราไม่พึ่งมันเราไม่ใช้มันเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเราก็ไม่เดือดร้อน ปล่อยให้มันแก่ไปปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปถ้าคนมีความสุขมีสมาธิแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความสูญเสียการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปจะไม่เดือดร้อนก็ต้องสอนใจด้วยปัญญาเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวต้องจากกันแล้วนะของที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเรานะ เด <que> <ar>. no ¿E so de ี๋ยวก็ต้องไปคนละทิศคนละทางแล้วฉั้นเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ลองมาซ้อมดูว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่โดยที่ไม่มีอะไรได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นเป็นการทดสอบจิตใจเป็นข้อสอบเป็นการทำข้อสอบตอนนี้เป็นเพียงการทำการบ้านที่คิดว่าทุกอย่างจะต้อง จากเราไปถักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ตัวคนเดียวแม้แต่ร่างกายนี้ก็จะไม่มีให้อยู่ด้วยเราจะทำใจได้หรือเปล่าเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเรามีปัญญามีสมาธิเราจะทำไม่ติดเราจะไม่อยากให้เขาอยู่กับเราพอเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่เดือดร้อน ที่เดือดร้อนกันก็เพราะว่ายังอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่เอ่ถ้าเราอยากให้ใครอยู่กับเราแล้วเวลาเขาไม่อยู่กับเรานี่เรารู้สึกอย่างไรน้องห่มร้องคห้เศร้าโศกเสียใจเวลาแฟนไม่ยอมอยู่กับเราแต่เรายังอยากให้เขาอยู่กับเรา เ, เวลาเขาจากเราไปเป็นยังไงเขาทิ้งเราเป็นยังไง แต่ถ้าเราอยากให้เขาไปเวลาเขาไปนี่เราจะดีใจไปได้ก็ดีเนี<ๆ>่ยความทุกข์ความสุขของพวกเราอยู่ที่ความอยากของเรานี่เองถ้าอยากให้เขาอยู่แล้วเขาไม่อยู่เราก็จะทุกข์ถ้าอยากให้เขาไปแล้วเขาไม่ไปก็ทุกข์อีกเหมือนกันแต่ถ้าอยากให้เขาอยู่แล้วเขาไปถ้าอยากให้เขาอยู่แล้วเขาอยากให้เขาไปแล้วเขาก็ไปจริงๆก็ดีก็จะได้สบายใจ ฉะนนเราต้องอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปอย่าไปอยากให้เขาอยู่ถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องไปให้เขาไปแต่เวลาที่เขายังอยู่อย่าไปอยากให้เขาไปเพราะถ้าอยากให้เขาไปแล้วก็ไม่ไปก็จะทำให้เราไม่สบายใจได้เราต้องมาฝึกทาใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะความอยากนี้จะทำให้ใจเราไม่สบายต่อให้เรามีเงินมากมายกายกองมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนใจของเราก็ยังไม่สบายได้ยังทุกข์ได้ถ้าเราไม่สามารถทำลายความอยากที่มีอยู่ในใจของเราได้เพราะความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากการมีมากมีน้อย มีมากก็ทุกได้มีน้อยก็ทุกได้ความไม่ทุกนี้อยู่ที่ความไม่อยากถ้าไม่มีความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะไม่ทุกข์กับมันมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปนี่คือปัญญาปัญญาเราต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมีวันหมดมีเกิดแล้วก็มีดับ เะเวลามันหมดเราต้องอยู่อยู่กับมันได้เวลามันเปลี่ยนเราก็ต้องอยู่กับมันได้ถ้าเราทำใจได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนถ้าเรามีความสุขทางใจมีสมาธิมีปัญญาเราจะปล่อยวางแล้วเราก็จะอยู่กับความสุขของสมาธิที่ดีกว่าถ้าเรามีความสุขทางสมาธิทางความสงบแล้ว เราก็ไม่ต้องพุ่งความสุขทางร่างกายร่างกายไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรใจมันอิ่มใจที่มีความสงบมีความสุขนี้เป็นใจที่ไม่ไม่หิวโหวยกว่าความสุขทางร่างกายเมื่อไม่หิวโหวยไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆร่างกายก็หมดความหมายไป ร่างกายจะอยู่จะไปก็ไม่เป็นปนัญหานี่คือปัญญาก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขทางใจก่อนพอมีความสุขทางใจแล้วไม่เดือดร้อนเหมือนเราถ้าเรามีแฟนใหม่นี่แฟนเก่าจะไปไม่เดือดร้อนจะอยู่จะไปไม่เดือดร้อนแต่ถ้ายังไม่มีแฟนใหม่นี่ถ้าแฟนเก่าจะไปนี่เดือดร้อนเพราะยังไม่อยากให้เขาไป แต่ถ้ามีแฟนใหม่แล้วเขาจะไปไปได้เลยไม่เดือดร้อนเพราะเรามีแฟนใหม่มาให้ความสุขกับเราแล้วตอนนี้เรามีแฟนใหม่กันหรือยังเรามีความสงบกันหรือยังมีความสุขทางใจกันหรือยังถ้าเรายังไม่มีความสงบทางใจปล่อยปล่อยแฟนเก่าไม่ไม่ได้ยังไงยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนนะอย่างน้อยก็ถึงแม้ว่ามันจะเก่ามันก็ยังดีกว่าไม่มี แต่ถ้ามีแฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่านะี่โอ้ยอยากให้แฟนเก่าไปเร็วๆเลยนี่คือการปฏิบัติการสร้างความสุขทางใจนี้เป็นการหาแฟนใหม่หาแฟนที่แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าเพราะแฟนใหม่คนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดถ้าเราหาได้แล้วมันจะหาได้ไปเรื่อยๆ ถ้านั่งสมาธิเป็นแล้วมันก็นั่งไปได้เรื่อยเหมือนคนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วคนว่ายน้ำเป็นแล้วนี่ไม่มีวันจมน้ำตายเพราะว่ายน้ำเป็นตกน้ากี่ทีก็ว่ายได้แต่คนที่ว่ายน้าไม่เป็นตกน้าทีไรก็จมทุกทีคนที่ไม่มีความสุขทางใจพอสูญเสียความสุขทางร่างกายไปก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาแฟนจากไปก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาทรัพย์สมบัติ เงินทองจากไปก็จะทุกขึ้นมาเวลาตําแหน่งจากไปก็จะทุกขึ้นมาแต่คนที่มีความสุขทางใจแล้วจะไม่เดือดร้อนตําแหน่งจะหมดไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอายุครบหกสิบมันก็ต้องหมดเงินทองก็ใช้ไปมันก็ต้องหมดหมดก็ไม่เป็นไรไม่ใช้มันก็ได้เพราะยังมีความสุขทางใจได้ ความสุขทางใจไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ตำแหน่งไม่ต้องให้คนมายกย่องสรรเสริญเยินยอไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรศมาเสกนี่คือความสุขทดแทนเนื้อแฟนใหม่เขาจะจะสอนให้พวกเรามาหาแฟนใหม่กันเพราะเราจะตั้งจากแฟนเก่าเราไปสักวันหนึ่งแฟนเก่าของเราที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้สักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไป แล้ววิธีจากก็มีจากได้หลายแบบหลายวิธีจากเพราะว่าเขาไปมีแฟนใหม่ก็ได้จากเพราะว่าเขาต้องถูกโยกย้ายไปอยู่ที่ไกลจากเราก็ได้จากเพราะว่าเขาต้องตายไปก็ได้แต่มันต้องมีการจากกันนี่คืออนิจจงเราต้องคอยหมั่นสอนใจเตือนใจว่า ความสุขที่เรามาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นความสุขชั่วคราวถ้าเราไม่รีบหาความสุขใหม่มาทดแทนเดี๋ยวเวลาความสุขชั่วคราวหมดไปเราจะไม่มีความสุขแล้มันจะทําให้เราต้องกลับมาหาความสุขแบบเก่าอีกโดยการกลับมาเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปถ้าเรายังไม่มีความสุขทางใจเราก็ต้องกลับมาหาความสุขทางร่างกาย เราก็ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่พอมามีร่างกายใหม่ก็ต้องมาทุกกับการาเลี้ยงดูร่างกายนี้ออกมาจากท้องแม่ก็ต้องหายใจเองต้องดื่มน้ำเองต้องกินข้าวเองต้องขับถ่ายเองต้องทำลายร้อยแปดเองต้องหาเงินหาทองหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยมาเลี้ยงดูร่างกาย เราก็ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อไปหาความสุขต่างๆทางตางหูจมูกลิ้นกายไปหาแฟนแล้วก็ต้องมาสูญเสียของต่างๆที่เราหากันแทบเป็นแทบตายเพราะของทุกอย่างที่เราหาได้นี่มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปต้องหมดไปให้สอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจะได้ทำให้เรารีบ เด้งมาหาแฟนใหม่กันมาหาความสุขทางใจกันพอเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับแฟนเก่ากับความสุขทางร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรจะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีแฟนใหม่เรามีความสุขทางใจนี่คือเรื่องของวันพระ วันพระนี้ให้เรามาหาแฟนใหม่ทิ้งแฟนเก่าไว้ที่บ้านสักหนึ่งวันเรามาหาแฟนใหม่ที่วัดแต่แฟนใหม่คนนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตานะไม่เป็นชู้นะไม่ถือว่าเป็นชู้ถือว่าเป็นแฟนที่บริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์เป็นแฟนที่เกิดจากพรหมจรรย์ไม่ใช่เป็นแฟนที่เกิดจากการเสพกามอย่างนั้นไม่ถือว่าผิดศีลข้อสาม คือไม่ได้พระพุทธผิดปรยนีเพราะมาถือศีลข้อ3ของของของศีลข้อ8ศีลของศีล8ก็คือมารักษาพรหมจรรย์กันเราต้องรักษาพรหมจรรย์นับถึงจะสามารถมีเวลาที่จะมาหาแฟนใหม่ได้มาสร้างความสุขทางใจได้ถ้าเรามาฝึกบ่อยๆต่อไปเราจะสามารถอยู่ คนเดียวได้อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขทางใจได้เวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะไม่เสียใจสูญเสียแฟนไปไม่เสียใจสูญเสียคนที่เรารักไปจะไม่เสียใจสูญเสียสิ่งที่เราลักไปจะไม่เสียใจเพราะของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันจะไม่อยู่กับเรา ของที่จะเป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือแฟนใหม่นี่แหละคือความสุขทางใจนี่แหละที่จะอยู่กับเราไปตลอดอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตอนนี้ท่านมีแฟนใหม่คือความสุขทางใจอยู่กับท่านมาตลอดเนี่ยท่านตายไปแล้ว 2,500 กว่าปีเนะี่ยแฟนแฟนใหม่ของท่านก็ยังอยู่กับท่านอยู่ความสงบใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลาย ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังอยู่กับท่านไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วมันก็จะอยู่กับใจของเราไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาพอเราสร้างมันขึ้นมาได้แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้ามันเสื่อมเราก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้จนถึงขีดที่มันไม่เสื่อมเบื้องต้นนี้เราจะสร้างความสุขที่เสื่อมก่อน คือความสุขที่ได้จะไม่เสื่อมความสุขที่ได้จากการปล่อยวางเพราะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างพอปล่อยวางได้มันก็จะมีความสุขที่ถาวรขึ้นมาเพราะเราจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนั่นเองพอไม่มีความต้องการก็จะไม่มีอะไรมาทาให้ใจเราทุกข์ใจของเราก็จะสุขไปตลอด นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาฝึกฝนอบรมกันมาทำกันวันพระนี้พระพุทธเจ้าบอกให้หยุดทำงานทำการกันสมัยนี้ถ้าวันพระไม่ตรงกับวันหยุดก็เอาวันหยุดนี้เป็นวันพระแทนเราหยุดงานวันไหนเราเอาวันนั้นเป็นวันพระวันหยุดก็คือให้เราหยุดการหาเงินหาทองหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกปิ้งกาย แล้วมาหาความสุขทางใจแทนถ้าไปวัดได้ก็ไปวัดถ้าไปวัดไม่ได้มีบ้านอยู่ที่สงบอยู่คนเดียวเมื่อมีห้องพักแยกออกจากคนอื่นได้ไปอยู่ในห้องพักที่สงบคนเดียวขังตัวเองอยู่ในห้องที่ว่าเรากำลังไปอยู่วัดการหาความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้สถานที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในห้องแคบๆก็มีความสุขได้ เพราะเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องใช้เนื้อที่มากเนื้อที่พอให้ร่างกายมีที่นั่งก็พอแล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องมีก็คือความสงบต้องไม่มีอะไรมารบกวนใจต้องไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้มารบกวนใจเพราะถ้ารบกวนแล้วจะไม่สามารถทาใจให้สงบได้ ผู้ที่ต้องการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้ต้องไปหาที่สงบสงดวิเวกป่าศจากลูกเสียงเกิ่นลดถ้าไปวัดไปอยู่ป่าอยู่เขาไม่ได้ถ้าเรามีห้องเราทำห้องเราติดแอร์ซะเราก็ปิดให้มันมิดชิดไม่ให้เสียงเข้ามาก็เหมือนไปอยู่ใ้ป่าแล้วอยู่คนเดียว นั่งหลับตาในห้องแอร์สบายขังตัวเองในห้องแอร์หนึ่งคืนกันหนึ่งวันวันพระนี่ไม่ต้องไปไหนพอกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าเข้าไปขังตัวเองกินมื้อเดียวก็พอไม่ต้องมีอะไรมีน้ำอย่างเดียวแล้วก็มีห้องน้ำท่านนี้ก็พอแนละ้วเพราะเราไม่ต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถขอให้มีห้องที่สงบเงียบ ถ้าเราไปวัดไม่ได้ลองทำห้องที่บ้านสักห้องหนึ่งทำให้มันไม่มีเสียง้ามารบกวนปิดให้ปิดมา่านเสียจะได้ไม่ต้องออกไปมองข้างนอกไม่ต้องเห็นอะไรไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องฟังอะไรเดินจงกรมในห้องก็ได้ถ้าห้องมันสั้นมันแคบก็เดินเดินแบบเดินเข้าเดินเดินไปแล้วก็ถอยเดินถอยหลังไปเดินห้อนข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลัง ไม่ต้องหมุนตัวกลับหมุนตัวเดี๋ยวมันเวียนสีรษะถ้าห้องมันสั้นนะ mm hmm. ก็เดินแบบเนเดินไปข้างหน้าพอสุดทางก็เดินถอยหลังกลับมาพอเมื่อยก็ลงมานั่งทำสลับกันไปเดินกันนั่งถ้าทำได้แล้วจะมีความสุขมากพอใจสงบแล้วจะไม่ต้องมีอะไรนี่คือการสร้างความสุขทางใจ ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราเพราะสิ่งที่เรามีตอนนี้เราพึ่งมันไม่ได้ไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีวันจากเราไปหรือมันไม่เสื่อมมันไม่หมดเราก็ต้องจากมันไปเพราะร่างกายของเรามันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องหมดแล้เรามาเปลี่ยนที่พึ่งกันมาเปลี่ยนความสุขกันเปลี่ยนแฟนกันแฟนเก่านี้ เป็นแฟนที่เราไม่ได้พึ่งเขาไปได้ไม่ตลอดนร่างกายนี้เราพึ่งไม่ได้ไปตลอดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็พึ่งไปไม่ได้ตลอดนาบยศสรรเสริญก็พึ่งไปไม่ได้ตลอดแต่ความสุขความสงบทางใจนี้เราพึ่งไปได้ตลอดดังนันเรามาสร้างความสุขความสงบทางใจกันด้วยการสร้างสติขึ้นมาถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็จะไม่มีวันสงบ แต่ถ้ามีสตินี้นั่งห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบนด้พอรวมแล้วก็นั่งได้เป็นชั่วโมงไปเลยพอออกจากสมาธิก็มีความเบา อ, อกเบาใจสบายใจลุกขึ้นมายืนมาเดินขยับแข้งขยับขาพอเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่สลับกันไปถ้าง่วงนอนก็พักนอนก่อนก็ได้ทำอย่างนี้ไปแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพึ่งอะไร ให้ความสุขกับเราพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาก็พอเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็อยากจะฟังเทศก็เปิดธรรมะฟังเปิดหนังสือธรรมะอ่านเพื่อจะได้มีปัญญาเพื่อจะได้รู้จักวิธีพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเราควรจะมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา รูปเสียงกลิ่นรถที่เราสัมผัสรับรู้อยู่นี้ก็เป็นอนิจจังเสียงนี้ได้ยินปั๊บก็หายไปแล้วะเขาว่าอนิจจังก็คือมันหายไปละพอพูดปั๊บมันหายไปละพอพูดปั๊บมันก็หายไปรูปก็เหมือนกันเห็นรูปตรงนี้เดี๋ยวเขาเดินไปตรงโน้นรูปรูปเขาก็หายไปละทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเขาหายไปจากเราดังั้นอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราจะไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดเขาจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเวลาที่ต้องพัดผ้าจากกันเวลานั้นก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจให้อยู่กับสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือความสุขทางใจตอนนี้เราไม่มีความสุขทางใจ พอเราไปหาความสุขทางร่างกายกันถ้าเราต้องการความสุขทางใจเราต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายถึงจะได้ความสุขทางใจกันเช่นถ้าเราอยากจะกินกาแฟแต่ตอนนี้เรามีแต่น้ำชาอยู่ในถ้วยถ้าเราอยากจะกินกาแฟแล้วก็ต้องเทเทน้ำชาทิ้งไปแล้วเราก็จะได้เอาถ้วยมาชงกาแฟได้ จัในดใจเราก็เป็นเหมือนภาชนะลองรับความสุขมีความสุขทั้งสองรูปแบบความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจก็ต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายต้องมาถือศีลแต่ต้องไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปฝึกเจริญสติให้มากๆเพื่อหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดแล้วใจจะมีความสุข ถึงแม้จะถูกขังอยู่ในห้องก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดที่ทุกข์กันก็เพราะว่าอยากจะออกไปข้างนอกกันอยากจะไปที่นู่นที่นี่ต่อให้อยู่บ้านใหญ่โตขนาดไหนก็เหมือนกับอยู่ในกรงพอมีความอยากแล้วมันเหมือนกับถูกขังอยู่ในกรงแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้ไม่มีความอยากเราจะไม่รู้สึกว่าเราถูกขังอยู่ในกรงเลยเรากลับจะคิดว่าเรากาลังอยู่บนสวรรค์กัน ความสงบนี้เป็นความรู้สึกเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นดังั้นขอให้พวกเรามาพยายามสร้างความสุขทางใจกันมาทำใจให้สงบกันด้วยการหมรั่นเจริญสติอยู่เรื่อ ย, อยพุทโธไปเรื่อ ย, อยคิดถึงความตายไปเรื่อยเฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะสงบได้สงบแล้วก็จะมีความสุข จะไม่รู้สึกว่าถูกขังอยู่ในห้องเลยจะรู้สึกว่าขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนี่ก็คือเรื่องของภารกิจนายวันพระที่พวกเรามาทำกันก็ขอให้พยายามทำกันให้มากๆเพราะว่ามันอยู่ที่การกระทำถ้าทำน้อยผลก็ยังไม่เกิดต้องทำให้มากๆแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะเกิดขึ้นเองตัวที่สาคัญที่สุดก็คือสติ สางสติขึ้นมาให้มากๆเราลรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่าทําให้ศีลขาดไม่ใช่เดี๋ยวตอนเย็นก็แอบไปกินข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวแอบไปเปิดดูทีวีแนละ้วเดี๋ยวดีไม่ดีก็เป็นร่วมหลับนอนกาแฟนะแต่อย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะได้ความสุขทางใจต้องตักความสุขทางร่างกายไปให้ได้อย่างน้อยสักวันหนึ่งก็ยังดี แล้วต่อไปเราจะมีกำลังที่จะตัดความสุขทางร่างกายให้มากขึ้นต่อไปเราก็จะมีวันพระเพิ่มขึ้นจากหนึ่งวันก็เป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นวันพระทุกวันเพราะถ้าเรารักษาศีลแปะได้ทุกวันเราก็จะมีวันพระทุกวันเราก็จะมีเวลาสร้างความสุขทางใจได้ทุกวัน แล้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ความสุขทางร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่มีตาแหน่งก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเยินยอก็ไม่เดือดร้อนคนมีคนด่าก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราแล้วเราใช้ความสงบถ้าเรามีความสงบแล้วใจเราจะไม่ สะเทือนกับสิ่งต่างๆที่มาให้ที่มากระทบกับใจคนจะดา่าคนจะว่าคนจะเอาของมาทึมแทงร่างกายมาทําร้ายร่างกายใจจะไม่รู้สึกเออดือดรอนเลยนี่แหละคือความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านได้พบและได้ครอบครองแล้วท่านก็นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเราอยากจะได้ความสุขแบบนี้อยากจะหลุดออกจากความทุกข์ของทางร่างกายก็ต้องหมันสร้างวันพระขึ้นมาวันพระนี้จะมีกี่วันอยู่ที่ตัวเราเรากำหนดขึ้นมาได้เช่นถ้าเราอยากจะมีวันพระทุกวันเราก็ลาออกจากงานไปพอไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปทำงานมันก็มีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมารักษาศีลมีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิ มาทำใจให้สงบดังนั้นขอให้ท่านจงพยายามสร้างวันพั ก, กันขึ้นมาเริ่มจากวันอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนเช่นวันนี้แล้วก็เพิ่มไปเพราะว่าถ้าเราทำแล้วทไปแล้วได้ผลเราก็อยากจะทามากขึ้นไปเองเพราะว่าผลที่ได้จากการทำใจให้สงบนี่มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่เราเคยได้รับมา เราจะทำให้ความสุขต่างๆที่เราเคยได้มีได้รับมานี้ไม่มีความหมายต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเทาง่านี้เดี๋ยวจะเป็นช่วงถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ขอเชิญขึ้นมาถามที่นี่ได้ เดี๋ยวถ้าไม่มีคําถามก็จะให้ทางบ้านส่งคําถามเข้ามาทางอะไรทางวิทยุก็กําลังถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มีชมอยู่สิบเก้าคนครับอาจารย์เออฟังอยู่ครับฟังคือวิทยุนี้ความจริงมันไม่ต้องใช้สถานีวิทยุใช่ไหม ม, มันมเป็นแอปไปนในตัวท่านเองยังไงก็ต้องใช้ครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้สถานีเนี่ยเราถ้าถ่ายทอดสดไม่ต้องใช้ แต่ถ้าเกิดว่าเปิดธรรมะใหญ่ก็ต้องใช้คอมพอาเตอร์เพราะแอปตัวนี้ไม่ไหวครับต้องต้องต้องใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าใช่แต่สมมติว่าถ้าใครอยากจะถ่ายทอดสดเขาไม่ต้องมีสถานีวิทยุเขาว่ถ่ายทอดสดได้ใช่ไหมใช่ครับแต่เพียงแค่ว่าต้องมีโฮสต์ต้องมีโฮสวิดีมีเว็บไซต์อยู่อันหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องมีเว็บไซต์ก็ได้ครับพีจางแต่ว่าต้องต้องไปเปิดบริการกับทางสถานีวิทยุไว้ครับพีจางจบ ปีนึงแล้วแต่แพ็กเกจครับอย่างอย่างที่ผมเลือกปีละแค่พันห้าพันห้าก็คนฟังได้พันคนก็ถือว่าเยอะมากถือว่าถือว่าคุ้มมากครับอาจารย์พสนี้ก็เป็นโพสต์ในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตครับอาจารย์เราแค่ส่งโพสต์เข้าไปอไปตามพอร์ตที่เขาเปิดไว้อะไรเงี้ยครับเราก็ใส่พอร์ทใส่แล้วก็เข้าพอทนะครับอาจารย์ใช่อย่างวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายทอดเสร็จเดี๋ยวผมมีแอป แอปตัวอย่างให้ชมนะครับเพราส่งมาให้รูบ้างนะครับแอปอคือตอนนี้ไอ้ที่เสียงที่เราถ่ายทอดสดนี้มันมันรับจากตรงไหนไปเสียงที่ถ่ายทอดสดรับจากพ่วงตัวนี้ครับอาจารย์ก็คือใช้ระบบเดียวกับตัวนี้ที่ปล่อยออกลาอําโพงครับอาจารย์แต่ว่าเรามีสองตัวแล้วก็เอามาพ่วงจากตัวนี้ยพื่สอดก็คือใกล้เคยียงกันเหมือนกันทุกอย่างครับอาจารย์ซึ่งจากที่เขารายงานมาเนี่ย เสียงคนถามอย่างเมื่อวานเสียงป้าป้าคุณจีนะครับไม่น่าเชื่อชัดเจนเลยนะข้างในขนาดเรารเราด้ยนตรงนี้ยังเบาอ่ารัฐใน Facebook Live หรือใน YouTube อะ่ะก็ยังดังไม่ดังเท่าไหร่ดังได้ยินแต่ว่าแต่ว่าพอมาเป็นระบบนี้ดังชัดเจนเลยครยับอาจารย์แล้วก็เมื่อวานผมอัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้หน่อยว่าคนเนี่ยสามารถมาโหลดฟังได้ในแอปพลิเคชันเรียบร้อยเลยการสนทนาธรรมก็จะมีให้ให้ย้อนหลังให้ฟังตลอดต่างหากเพราะว่าแอปตัวเนี้ย มันจะอะบันทึกไปในตัวเลยแล้วผมก็อัปโหลดลงนแค่นั้นเองครับอาจารย์ตอนนี้แอปมันรับเสียงจากเครื่องขยายใช่ครับจากเครื่องรั บ, บครัอบอดจารย์โดยที่เครื่องอสัญญาณเอาพุทจะมาเข้ามาาเข้โทรศัพท์ถ่ายทอดสดแต่ว่าสัญญาณหูฟังเนี่ยมนผ่านม า, ามาเข้าแอป ครับอาจารย์ก็ถ่ายทอดสดก็ถือว่าบอกสมบูรณ์เลยครับอาจารย์ตอนีเรียบร้อยเลยครับไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับตอนนี้ครับแล้วแอปตัวนี้มันก็ใช้ WiFi ใช้ Wifi ครับอาจารย์เข้าไปในโฮสต์ส่งไปที่โฮสต์อีกทีส่งไปที่โฮสต์อีกทีโดยที่เราใส่ชื่อโฮสต์ใส่พอร์ตใส่พาสเวิร์ดตรงเลยครับอาจารย์เหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยครับอาจารย์ใช่แต่ว่าข้อจํากัดคือมันลูกเล่นอะไรมาสู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับแต่เบนอาศัยว่าเสียงสดอย่างเดียว แล้วเราต้องถ้าเราไม่มีไอ้เว็บไซต์ i อ้เลิ a ด m มม่นี่ใช่ครับก็ถ้าคนมีแอปก็ฟังได้เลยไม่ต้องเข้าไปใน <website S 1> เว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าเพียงแค่ว่าถ้ามีเว็บไซต์ก็เข้าไปฟังในเว็บไซต์ไดท้ที่ผมต้องจดเอ่อเลิฟดัมม่เพราะว่าผมซื้อโฮสติ้งที่ unlimited เพื่อเอาไว้ใส่ข้อมูลไฟล์เสียงพระจานท์ทั้งหมดเนี่ยครับอ่าเขาแบบว่าเขาแถมให้ด้วยว่าว่ามีโดเมนฟรีด้วยก็เลยจดไปไม่งั้นถ้าเกิดว่า ปกติผมไม่จําเป็นจะต้องจดครับผมสามารถเอาเอาโค้ดเนี่ยไปใส่ไว้ในพาสุชาติคอมก็ได้ไว้ในไหนก็ได้ครับอาารยไม่จําเป็นต้องมีแต่เพียกเขแถมมาก็เลยเอาได้ใช่ครับเราเพียงแต่ไปแปะไอ้ตัวตัวเล่นไว้ใน ใ, ในหน้าเว็บใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ฟังผ่านแอปก็ได้เนี่ครับเด uh huh. ี๋ยวแอปพลิเคชันไม่นานก็ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับก uh huh. จ็จะจะสมบูรณ์แบบแล้วก็คนก็ะสะดวกสบายมากนะครับสําหรับผู้ฟังนะครับอ uh huh. อย่างเมื่อวานยูทูปเห็น โมบอกก็ดูตั้งหกสิบกว่าคนเมื่อวานนะครับก็เยอะขึ้นเรื่อยๆวันที่สี่สิบกับส่าแล้วพอพอไปดูยดดูดูยอดหลังก็มีเพิ่มยอดขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มยอดยอดหลังใช่ครับมันก็เพิ่มยอดคนกลับมาดูเรมันดูง่ายกว่าครับถ้า f a c e b o o กไลฟ์เขาไม่ค่อยมาค้นหากันครับก็จะดูผ่านก็จบไปใช่นะับก็ดีอ่มีใครอยากจะถามไหมไม่ีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถาม อันนี้คุยกันเพื่อทางบ้านจะได้รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรกันบ้างเราก็อยากจะรู้เหมือนกันจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมแ ต, แต่เสียงนี่แบบผมมาฟังแบบเมื่อวานหยกฟังหรือใครฟังก็โอ้ยทาไมเสียงก้นถามมันชัดขนาดนี้ชัดกว่าสองตัวที่เขาคัดแย้ในแอ ป, ปนี้มีชัดกว่าใน y ยูทูบชัดกว่ า, วาครับชัดกว่าถ้าเสียงนะครับอ่โอ้เสียงแบบมันรับได้ไวมากนะ มา โ, มโมครับำถามจากคุณอลริเติเวลานั่งสมาธิก็กำหนดพุทโธไปเรื่อยๆมีความรู้สึกเหมือนมีมแมลงมาไต่ที่หน้าเมื่อคืนเป็นครั้งที่สองหนูก็ดูมันเรื่อยๆกว่ามันจะออกจากหน้าอีกสักพักหนูจึงออกจากสมาธิใช้เวลาทำสมาธิประมาณ 40, 40นาทีทำไมมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นคะสภาวะจิตยังไม่นิ่งหรือเปล่าจิตมันไม่นิ่งจิตมันก็เลยปรุงแต่งไป เราไม่ควรไปสนใจไม่ควรไปดูมันควรจะดูลมไปหลือดูพุโทโธไปนะอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มันปรากฏเพราะถ้าเราไปดูแล้วจิตเราจะไม่มีวันสงบได้ถ้าเราไม่ไปดูมันดีไม่ดีเดี๋ยวห้านาที10นาทีมันก็หายไปหรือไม่ถึง5้านาทีเสียซ้าไปพอเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปคําถามจากคุณอัญชลี สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วสวดแผ่เมตตาแก่ตนเองแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แผ่ส่วนกุศลและบทอธิษฐานอโหสิกรรมหนูอยากรู้ว่าเขาเหล่านั้นจะได้ไหมคะคือ<ม>การแผ่เมตตานี้เป็นการให้ไมตรีจิตต่อผู้อื่น<ม>ก็ต้องให้ตอนที่เจอหน้ากันไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วเ็าอยู่โคราชแล้วบอกฉันแผ่เมตตาให้เธอแล้วนะ ไม่ได้ต้องเวลามาเจอหน้ากันแล้วก็ทักทายกันสบายดีเลยจะาหายหน้าไปไหนไม่ใช่พอมาเจอหน้ากันก็แย่เคี่ยวใส่กันแต่เวลาอยู่ห่างกันก็แผ่เมตตาให้กนันการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันตอนที่เรานั่งแผ่นี้เราเป็นการซ้อมเหมือนเราเล่นละครเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นเวทีเราก็ต้องซ้อมก่อนว่าเราจะต้องพูดอะไรต้องว่าอะไรเรามาซ้อมฝึก สร้างความเมตตาไมาตรีจิตให้กับผู้อื่นพอเวลาเราไปเจอใครเราจะได้แผ่เมตตาได้ถ้าเราไม่ซ้อมเดี๋ยวเวลาไปเจอเขาอารมณ์ไม่ดียังเงี้ยเราก็จะแยากเคี่ยวใส่เขาแต่ถ้าเราซ้อมให้มีเมตตาให้มีอารมณ์ดีอยู่เรื่อยๆพอเวลาเจอใครถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีเราก็จะเอาเมตตาออกมาแทนฟักเมตตาออกมาแทนเฮ้ยเราต้องแผ่เมตตาแล้วนะตอนนี้แยกเคี่ยวใส่เขาไม่ได้แล้วนะ ถึง แ, แม้ว่าจะมีอารมณ์ไม่ดีเพราะไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นมาแต่พอเจอใครแล้วนี้ต้องเอาอารมณ์นั้นทิ้งไปแล้วเอาเมตตาออกมาถ้าเราไม่ซ้อมไม่ก่อนมันก็จะไม่มีแล้มันก็จะดึงออกมาไม่ได้นี่คือความหมายของการแผ่เมตตาเวลาที่เราอยู่คนเดียวให้เราซ้อมให้เรานึกถึงหน้าตาคนนั้นคนนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เวลาเราเจอเขาเราจะได้ ยิ้มให้เขาได้มีขนมก็แจกให้เขาได้แบ่งอะไรให้เขาได้ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอหน้าเขาถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะแผ่เมตตาไม่ออกดั <c oughs> นั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเสร็จว่าพระสวนมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตานี้ยังไม่ได้แผ่อันนี้เป็นการเพียงแต่ซ้อมสอนใจให้รู้จักวิธีการแผ่เมตตา อันนี้เน้นขอให้ทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้แผ่ให้ใครนอกจากว่าถ้ามีดวงวิญญาณเขาเข้ามาในสมาธิแล้วก็มาพบปะหาเราเราก็แผ่ให้เขาได้ตอนนั้นแต่คนนอกส่วนใหญ่นี้ยังไม่มีพลังจิตถึงในระดับที่จะไปต้อนรับพวกร่างทริปกายทริปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจาเป็น ที่จะต้องไปแผ่เมตตาให้กับพวกนั้นเพราะเขาไม่สามารถมาติด hmm. ต so, ่อกับเราได้ถ้าเขามาติดต่อกับเราได้เขามาเราก็ต้องต้อนรับเขาไม่ใช่มาแล้วก็แผ่เมตตาบอกไปไปไปอย่างนั้นไม่เลยแผ่นี่เรียกว่าไล่เวลาถ้าเขามาก็ต้องต้อนรับเขาเหมือนเพื่อนมาหาที่บ้านหรือคนไม่รู้จักเข้ามาแล้วก็ต้องถามว่ากามีทุลละอะไรเนอะ ถ้าเราช่วยเหลืออะไรเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปาเรียกว่าแผ่เมตตาส่วนอุทิศบุญนี่อีกเรื่องหนึ่งอุทิศบุญนี่เราต้องทำบุญก่อนเราต้องมีบุญก่อนบุญที่อุทิศได้นี้ต้องเป็นบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่ได้จากการรักษาศีลนั่งสมาธินี้เป็นบุญที่ผู้รับไม่มีไม่มีไม่มีภาชนะรองรับเขารับไม่ได้เขารับได้เพียงแต่ บุญที่เกิดจากการทำทา น, น, นถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วเราต้องทำบุญใส่บาตถวายสังฆทานหรือเอาเงินน้อบทองบอริจาคให้ใครไปก็ได้แล้วเราก็อุทิศบุญคือความสุขใจนี้ไปให้กับเขาได้คำถามจากมุอสัญญาถ้าหนูไม่อยากรับรู้เรื่องของลูกชายที่ดือ้อและมีไลน์หรือโทรศัพท์มารบ ก, กวน หนูไม่รับและลบเบอร์เขาออกหนูจะผิดไหมครับตั้งแต่ก่อนไม่มีไลน์เห็นมีปัญหาอะไรอ่พอไม่มีลายแล้วจะไปผิดตรงไหนอ่ะเราก็ไม่มีลายเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีลายกับใครคำถามจากคุณคําเบ้ลละสั่งโยสิละสังะส่งโยสิอย่างมีอะไรบ้างครับโอ้ยไปค้นดูถาม Google <c oughs> ดูสิบเนี่ยเจอเข้าไปเลย ถามโยต10ิบอย่างคำถามจากคุณมชชราพรลูกพุทโทพุทโทแป๊บเดียวก็หลับไปเลยขณะนั่งจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะลูกคุณมาพุทโธด้ถ้านั่งเราหลับก็ลูก้นมาเดินเดินพุทโธพุทโธไปถ้ายัางง่วงอยู่ก็ไปอดอาหารซนะอย่าไปกินอาหารมากเกินไปอดข้าวสั้งมือ้อสองมือ้ออดทังวันสองวันนี่นก็จะไม่ง่วง หรือแมงก็ไปนั่งที่ป่าช้าก็ได้หรือไปนั่งที่หน้าป่าเขวก็ได้เดี๋ยวหายมัว่วคำถามจากคุณสมุตตาเวลานั่งสมาธินี้ไม่สงบเลยก็ไม่รู้ว่าสงบเจ้าขา่ะลูกก็พุโทโธทีๆแต่ก็ยังฟุ้งอยู่กลับขอทาแนะนําด้วยค่ะก็ไม่ทําพุโทโธมาก่อนนั่งเลย ต้องทําพุโทโธตั้งแต่ตื่นมาเลยไม่ทําการบ้านพอเข้าห้องสอบ ม, มันก็สอบไม่ไดเ้เราต้องทําการบ้านซ้อมไว้ก่อนซ้อมพุโทโธไว้ก่อนซ้อมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยลุกขึ้นไปทําอะไรก็พุโทโธพุธโทโธไปจะหยุดพุโทโธเฉพาะเวลาต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการ ถ, าถ้าไม่ต้องคิดเรื่องงานการก็อย่าปล่อยให้มันคิดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟุ้ง ในเวลานั่งมันก็จะไม่มีวันสงบได้ถ้าเรางกากให้มันสงบต้องไม่ให้มันคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดให้คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นถ้ามันจะไปคิดก็ใช้พุโทโธหนึ่งกลับมาพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่กับพุโทโธแล้วห้านาทีสินาทีมันก็รวมเข้าสู่ขามสงบได้คําถามจากคุณดนภา ถ้านั่งสมาธิเห็นท้องพองยุคชัดเจนแสดงว่าอย่างไรคะและควรทําอย่างไรต่อไปก็แสดงว่ามีสติไงไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูอยู่กับเพียงแต่ว่ามันจะชัดเจนได้นานเท่าไหร่กี่นาทีกี่วินาทีมันจะชัดเจนอยู่สองสาวินาทีแล้วก็ปุ๊บหายไปละไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนมันต้องเห็นอย่างต่อเนื่องเป็นนาทีเป็นนาทีไป5นาที10นาที มันถึงจะสงบได้คำถังจากคุณเพชรทาอย่างไรจิตถึงจะอยู่กับพุโทโธได้ตลอดวันในชีวิตการทํางานประจําวันครับหรือต้องปิดวิเวกไปเลยไหมครับอยู่ที่ความขยันถ้าเราขยันพุโทโธมันทำไจะพุโทโธไม่ได้เราคิดได้ทั้งวันไม่ใช่หรพุโทโธมันก็เป็นความคิดเหมือนกันไม่ใช่ทำไมคิดเรื่องอื่นได้ทั้งวันคิดเรื่องกระเป๋าคิดเรื่องรองเท้าคิดเรื่องเสื้อผ้า คิดเรื่องขนมนมเคิดเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเรื่องเกมเรื่องเที่ยวนี่คิดได้ทั้งวันพอให้คิดเรื่องผู้โทรคิดไม่ได้มันก็เป็นความคิดเหมือนกันคําถามข้อที่สองการสวดมนต์แผ่เมตตาระหว่างขับรถไปด้วยหรือทําอย่างอื่นไปด้วยจะได้รับประโยชน์หรืออนิสง์อะไรใหม่ครับก็จะอาจจะรถชนกันนั่น้ยเวลาขับรถใกล้มีสติอยู่การขับรถเป็นหลัก ไม่ใช่สวนมนต์ไปแล้วขับรถไปเดี๋ยวเกิดอะไรกระทันหันขึ้นมาก็จะแก้ไขไม่ได้คาถามจากคุณกันการใช้สติพิจารณาดับผัสสะทั้งหมดได้ในทุกครั้งทำให้มันไม่ปรุงต่อไปเป็นแนวทางที่ถูกหรือไม่ครับการใช้สตินี่มันไม่ได้หยุดผัสสะมันหยุดความคิดปรุงแต่งไมไ่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ผัสสะนเรามันหยุดไม่ ไ, มได้เสียงมันมาเข้ามาสัมผัสกับหูมันก็ต้องสัมผัสกันไปจะหยุดภาษาได้ก็ต้องปิดหูทั้งปิดตามันถึงจะหยุดสัมผัสได้การใช้สตินี้หยุดสังขารความคิดปรุงแต่งแต่ถ้าสังขารไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสจะสัมผัสก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปคิดถึงมันด้วยเวลามาสัมผัสมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมา คำถามจากคุณอันสนบทสวดมนบทไหนดีที่สุดครับถ้าอย่างง่ายๆก็พูดโทรนะดีที่สุดคำเดียวง่ายที่สุดสั้นที่สุดคำถามจากคุณสลักจิตกรณีนั่งสมาธิกำหนดจิตให้รู้ว่ากายนี้เพียงก้อนธาต แต่ก็รับรู้ว่ากายนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะทําให้ไม่สนใจกับกายอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่บางทีจิตก็ยังมีแวบไปที่นั่นไปนี่ก็พิจารณาให้รู้แต่จะไม่ปรุงแต่งทําอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วเราต้องพิจารณาอะไรไหมครับในขณะนั่งสมาธิถ้าจิตยังไม่สงบก็ยังใช้ไม่ได้ต้องนั่งให้มันสงบ นั่งพิจารณาไม่มีวันสงบจิตสงบมันต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับพุโทโธเท่านั้นมันถึงจะสงบได้ถ้าไปนั่งพิจารณามันไม่มีวันสงบมันไม่รวมมันอาจจะไม่ไม่พุ่งแต่มันไม่รวมมันไม่นิ่งคํถาถามจากคุณสรัญญาถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ บุญยากการนั่งสมาธินี้อุทินให้ใครไม่ได้เป็นของเราเพียงอย่างเดียวแบ่งกันไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องนั่งเลยให้คุณห่นนั่งแทนเราเราไม่นั่งดูทีวี <c oughs> เสร็จแล้วให้ส่งความสงบให้กูหน่อยไว้คำถามจากคุณวัปัญญาถ้าจิตไม่อยู่กับตัวจะมีจิตอื่นๆมาแทรกได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้จิตคลายจิตมันไม่มีใครแทรกน ถ้าจิตซามควบคุมร่างก็จะทำเรื่องซามได้มีหลายครั้งหลายคราที่คนทำผิดโดยไม่รู้ตัวตอนหลับนี่จิตไม่อยู่กับตัวใช่ไหมครับจิตมันกับร่างกายนี่มันก็ไม่เคยอยู่ติดกันอยู่แล้วเองแล้วมันเชื่อมด้วยกระแสจิตมาที่ร่างกายเท่านั้นเองเวลาร่างกายหลับร่างกายก็ยุติรับกระแสจิตชั่วคราวก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกัน พอร่างกายถึงขึ้นมามันก็รับกระแสจิตมันก็เหมือนกับมาอยู่ร่วมกันเหมือนคนสองคนอยู่คนละที่แต่เชื่อมกันด้วยวิทยุโทรศัพท์นี่ก็โทรปับ๊บมันก็เหมือนก็อยู่ด้วยกันแต่ความจริงมันอยู่คนละที่คําถามจากคุณอุ้งคนาการนั่งสมาธิแล้วคล้ายตกที่สูงแล้วนิ่งว่าง แต่ไม่รู้สึกตัวเลยไม่ทราบว่าตัวรู้อยู่ที่ไหนเป็นการรับในสมาธิหรือสติอ่อนหรือเปล่าคะ อ, อ่าสติอ่อนเนี่ยนะมันก็เลยหลับสิ่งที่ต้องแก้ไขก็ให้สติมีมากขึ้นข้อที่สองปกตินั่งสมาธิแล้วมักจะสงบมากไม่ค่อยคิดอะไรไม่ ไม่มีปวดเมื่อยใดๆเวลานั่งใช้พุทธทานุสติร่วมกับลมหายใจแต่ไม่สามารถจับได้ว่าจับได้ทันว่าลมหายใจและคำบริกรรมหายไปเมื่อไหร่รู้สึกอีกครั้งก็มิ่งเงียบแล้วเป็นเพราะสติไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าคะจะถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่รู้ลมไม่รู้พุโทโธถ้ามันหายไปก็สติหายไป มันมารูา้สึกตัวางทีก็มาสติได้กับสติกลับขึ้นมาแล้วช่วงที่หายไปก็คงเป็หมือนสับปังกอกไปคำ ถ, ถามจากคุณประชุมชัย <S <S เวลานั่งเราได้ยินเสียงสวดมนต์หรือบางครั้งอารมณ์มันดิ่งเหมือนมันนิ่งเปรียบเสมือนร่างกายเราไม่มีอาการอะไรหรืออาการดับไปเลย ม, มีการแก้อารมยังไง ก็เวลานั่นก็ต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบอะไรจะหายไปก็ดีไม่ต้องไปแจ้นั่งก็เพื่อให้จิตมันว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวคาถามจากคุณเนตรเวลานอนไม่หลับจะภาวนาพุโทโธทุกครั้งภาวนาแป๊บเดียวก็หลับเลยอย่างนี้จะได้สมาธิไหมคะไม่ได้หรอกก็ได้หลับเนย ถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ท่านั่งมันจะทําให้หลับยากกว่าท่านอนถ้าอยู่ในท่านอนมันก็จะทําให้หลับง่ายงนั้นถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่งก็ถึงเรียกว่านั่งสมาธิกันก็ไม่มีเรื่องนอนสมาธิกันนอนก็นอนหลับแต่นั่งสมาธิก็อาจจะนั่งหลับได้เหมือนกันถ้าง่วงนอนมากๆหรือสติไม่มีกําลังพอก็นั่งหลับได้เหมือนกัน ถึงต้องถือศีลแปดมีอาหารมากมันจะทำให้ร่างกายง่วงนอ น, อนหมดแล้วเหรอยังครับาจาน อ, อ๋อ่าจะคุดแอปนะครับหนูเดินจมกรมนั่งสมาธิมาสีเ่เดือนปฏิบัติที่บ้านจิตยังไม่นิ่งพิจารณาอสาุภะเพื่อลดละค ะ, ะนี่ถามทางที่จิตยังไม่นิ่งนี่บอกเล่าเลยเมื่อวานมีผู้ถามมาว่า รักษาสินแห่ตอนหลับได้บุญไหมครับอาจารย์ตอนสินแหมันไม่ต้องตอนหลับไม่ต้องรักษาแล้วเพราะตัวที่จะทาทำบาสมันไม่ได้ทำมันพักผ่อนเหมือนเวลาผู้ร้ายมันนอนหลับแล้วก็ไม่ต้องไปทาอะไรมันแต่พอมันเตือนนี่ต้องคอยคอยตามจับนะ้วังั้นเวลานอนหลับนี่จะถือว่ามีสีลแหาก็ได้ เขาไม่ได้ไปทําบาปไม่ได้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพไม่ได้ไปเพาะพติผิดประเวณีไม่ได้เป็นเศษซูรายาเมาไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงใครคําถามจากคุณโจ้นั่งดูลงหายใจไปเรื่อยๆแล้วดูวเหมือนรู้สึกว่าเราอยู่ในที่ว่างเปล่ า, ลาแล้วจะต้องทําอะไรต่อหรือนั่งดูมันต่อไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆดูไป น, นานๆให้มันมว่างเ่าไปนานๆให้แม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ให้มันมีความยากต่างๆคำ ถ, ถามจากคุณอารีรู้ลมหายใจอย่างเดียวได้ไหมคะได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างก็ได้คำ ถ, ถามจากคุณศิวกกรขออุบายบอกคนที่ชอบข่ามมาแรงสาบแล้วก็ยุงครับ ก็ให้คิดว่าเราฆ่าอะไรเราก็ต้องกลับไปถูกให้เขาฆ่าถ้าฆ่าแมงแรงรต่อไปเราก็ต้องไปเกิดเป็นมาแรงให้เขามาฆ่าเราแทนทําสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหาเรานี่คือกฎแห่งกรรมคําถามจากคุณชาลิดากรณีที่เปิดร้านอาหารไทยที่เพิ่งเปิดในต่างประเทศทางร้านไม่ไม่จ่ายเงินให้พนักงานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ในช่วงเริ่มเปิดได้ด้วยเพราะหากักเพราะหักคำเช่นนั้นจะทำให้ร้านขาดทุนแต่หากเปิดไประยะหนึ่งพอมีกาไรแล้วจึงจะจ่ายพนักงานเท่าอัตราเท่าอัตราตามกฎหมายพร้อมจ่ายคืนให้ในช่วงแรกที่จ่ายไม่ครบแบบนี้ถือว่าผิดศีลไหมคะถ้าทำความเข้าใจกับลูกจ้างทำสัญญากันไว้ก็ไม่ถือว่าผิดสิน ถ้าตกลงกันไว้ก่อนแต่ว่าเราไม่สามารถจ่ายให้เต็มได้นะี่เช่นค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อตอนนี้จ่ายได้แค่200อจะเอาไหมขอค้างไว้ร้อยหนึ่งก่อนไว้ล้านกําไรก่อนแล้วก็จะเอาเงินกําไรนี้มาจ่ายส่วนที่ค้างไปถ้าควรรับจา้างยินดีก็ถือว่าเป็นการตกลงกันเป็นทำสัญญากันไม่ได้หลอกลวงกันอาจจะผิดกฎหมายแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของกฎหมาย กฎหมายก็ต้องการคุ้มครองคนทำงานไม่ให้ถูกเรารัดเอาเปรียบแต่ถ้าคนทำงานยินดีที่จ ะ, อะยอมเสียเปรียบเพื่อที่ว่าอย่างน้อยอยังดีกว่าไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ถึงแม้จะผิดกฎหมายก็ถ้าไม่มีใครไปฟ้องก็ไม่มีปัญหาไม่มีถ้าคนงานไม่ไปฟ้องร้องมันก็ไม่มีเรื่องมีแล้วคำถามจากคุณมินนี่ เมื่อมีปัญหาในครอบครัวแล้วเราเป็นลูกถ้าไม่อยากรับรู้เรื่องปัญหาของพ่อแม่ที่เกิดขึ้นพอรู้แล้วเครียดแต่ขอทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเราจะบาบไหมคะเหมือนอากตันยูที่ไม่รับกลางเขาหรือช่วยแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาได้เลยไม่เกี่ยวเลยเรื่องของเขานี่ไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่เกี่ยวกับความกตันยูหรืออกตันยูแต่อย่างใด ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะไปช่วยไกลเกลี่ยหรือทำอะไรให้ดีขึ้นการอยู่เฉยๆเนี่ยดีที่สุดแล้วอย่าไปเข้าข้างฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งอย่าไปเข้าข้างพ่อหรือเข้าข้างแม่พ่อแม่กับเรานี้เป็นเป็นเพื่อนเราทั้งสองคนกครจะปิดใจโทรอันนี้มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคำถามจากคุณจามจุลีเมื่อประสบอุบัติเหตุเมื่อประสบเหตุ ที่ไม่ดีมากับทบที่ใจจะรู้เฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าต้องเกิดปัญหาต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาใช่ไหมครับและแสดงว่าการปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าใช่หรือไม่คะใช่ถ้าใจเราไม่เดือดร้อนไม่กับกับเรื่องราวต่างๆก็แสดงว่าใจเรามีอุเบกขาคําถามจากคุณลิซ่า อยากทราบว่าการเรียนอภิธรรมเป็นประโยชน์กับคารวะหรือไม่คะเรียนก็ได้เรียนก็เป็นอย่างน้อยก็ได้มีความรู้แต่การเรียนไม่ว่าจะอภิธรรมหรือเรียนพระสูตรอะไรต่างๆนันก็เป็นเพียงอยู่ในขั้นของการเรียนซึ่งเป็นขั้นเริ่มต้นเท่านั้นเองการเรียนนี้เรียนไว้เพื่อให้นำออกไปปฏิบัติขั้นสาคัญนี้อยู่ที่ขั้นปฏิบัติแต่ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร ก็ต้องเรียนเรียนพื้นที่เราจะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเรารู้แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติเรียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรงั้น <transcript> เราเรียนแล้วรู้แล้วว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไนเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่ตอไปแล้วผลถึงจะเกิดขึ้นมาคําถามจากคุณวรพัฒน์ถ้าหากทํางานวิจัยโดยใช้หนู วิทยาศาสตร์มาทดลองจะบาปมากใหม่ครับถ้าฆ่าเขาก็บาปแนละ้วถ้าคิดว่าเราเป็นหนูบ้างเข้ามาใช้เราเป็นตัวทดลองนั่นเราจะรู้สึกอย่างไรเอาหัว อ, อเขาม่ใส่หัว อ, อกเราพวกเรามักจะเข้าข้างตัวเองเวลาฆ่าเขานี่เรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่บาปหรอกแต่เวลาให้คนอื่นเข้ามาฆ่าเราบ้างดนะูจะรู้สึกว่าบาปไหมงั้นจะทําอะไรให้ย้อนกลับมาที่ตัวเราเสมอ ถ้าเราทำเขาได้เราให้คนอื่นเขาทำเราได้หรือไม่ถ้าเราไม่ยอมไม่เพืดนก็ทาเราเราก็อย่าไปทำเาัาเราไปทำการแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ในที่ตรงนั้นให้เขามาทำเราอยู่ดีคำถา ม, ถามจากคุณพีลาีเวลานั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามือที่วางบนตักไม่ได้วางทับกันเหมือนตอนแรกแต่พอสมาธิ แต่พอเลิกสมาธิมือยังวางทับกันเหมือนเดิมมันเป็นเช่นไรเจ้าคะจิตมันหลอกเราเลยจิตมันชอบหลอกคิดไปเรื่อยๆบางทีมันก็หลอกว่านั่งไปแล้วเองไปทางซ้ายบ้างเองไปทางขวาม้างเองไปข้างหน้าบ้างถ้าเราไปกังวลเด๋ยนมันก็จะหลอกให้เราปรับปรับท่าอยู่เรื่อยๆพอเรามานั่งปรับร่างกายก็เลยไม่ได้ปรับใจทันทีใจก็เลยไม่สงบในเวลาเรานั่งตอนต้นเราทําความเข้าใจว่านั่งเดืนท่าที่ถูกต้องแล้วดีแล้ว ตอไปเวลานั่งแล้วมีความรู้สึกว่ามันเองมันเอียงไปไงอย่าไปสนใจบางทีก็พองขึ้นมาบางทีก็ขดลงไปมันมีความเปความหลอกของจิตคิดไปเองนั้นเราไม่ต้องสนใจเวลานั่งแล้วให้สนใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับโนมอย่างเดียวอะไรจะมาแทรกมาให้เรารูมอย่าไปสนใจช่างมันช่างมันไปคํถาถามจากคุณทันรดา ตอนนี้ก็สวดมนต์รักษาศี่ห้าแต่ทำสมาธิยังไม่ค่อยดีเจ้าค่ะขออุบายวิธีเจ้าค่ะก็ต้องพยายามเจริญสติก่อนเวลาสวดมนต์ก็ให้มีสติอยู่การสวดมนต์ไปแล้วเวลาไม่ได้สวดมนต์เวลาทำงานทำการทำอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่งานที่เราทำหรือจะให้สวดมนต์ควบคู่ไปกับการทำงานก็ได้เป็นแบบขอให้สวดไปภายในใจอย่าออกเสียง หรือว่าจะใช้พุโทโธกำกับใจไปก็ได้ใช้บทสวดมนต์กำกับใจไปก็ได้เพื่อใจจะได้มีสติแล้วพอเวลามานั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานแล้วนั่งนั่งแล้วก็จะสงบด้วยสตินี้สำคัญมากในเรื่องของการนั่งสมาธิในเรื่องของการจเจริญปัญญาถ้าไม่มีสติสมาธิก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็เกิดไม่ได้ปัญญาต้องอาศัย สมาธิเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดปัญญาแต่สมาธิเองไม่สามารถทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเองได้ปัญญาต้องเกิดจากการค่ายควรพิจารณาความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพิจารณาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้หยุดความอยากคำถามจากคุณก๊ก ถ้านั่งไปแล้วรู้สึกตัวหมุนเป็นลูกขางหรือตัวขยายให ญ, ใหญ่แล้วออกจากสมาธิเกิดปิติในใจยิ้มตลอดวันทำไงต่อครับก็มีความสุขก็ทําต่อเป็นให้มันให้มันสุขไปเรื่อยๆวันนี้สุขแล้วพรุ่งนี้ก็สุขมาดือนนี้ก็สุขให้มันสุขไปเรื่อยๆ ร, รักษาความสุขไว้ถ้ามันไม่สุขก็กลับไปนั่งใหม่ไปเติมพลังใหม่เติมความสุขใหม่การนั่งสมาธิเหมือนกับเป็นการให้อาหารใจ เวลาร่างกายหิวเราทางไงเราก็หาข้าวกินกันพอกินข้าวเอิ่มก็มีความสุขกันเวลาใจเรานั่งสมาธิเราก็มีความสุขกันมีปิติพอมันหายไปเราก็กลับไปนั่งใหม่คําถามข้อต่อไปจาคุณพันก่อนนะครับมีแม่ชีบอกว่าเป็นพระยาทํามาทํามิกราชสา ม, มารถติดรถกับพระพุทธเจ้าองค์สา ม, มารถติด ติดต่อกับพระเจ้าองค์ปัจจุบันโดยขึ้นไปเฝ้าบ้างเพราะพระพุทธเจ้าลงมาเทศบ้างแล้วให้เอาคำเทศมาสอนต่ออย่างนี้มีจริงไหมครับก็ไม่รู้นะเราก็หมดหมดนะครับอาจารย์หมดแล้วดีเออก็อยากจะถวายได้เข้ามาได้นะ ออวันนี้ดีไม่ต้องไล่ไปกัน <c oughs> อ่ะใครอยากจะไปก็ไปได้ละพี่ว่าวันนี้หมดจะทำซ้างก็หมดนะทํ <c oughs> าตอบก็หมดละ ว, <c oughs> วันนี้แลกกันเองดีเราคงรู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วแหละ มีไหมมียังมีอีกเหรอ่อามามถามความนะทำมาีก็ถามคําถามจากคุณมะนาวผมเวลาเวลาเรานั่งไปนานๆเกิดเวทนาเราต้องทําอย่างไรครับก็มีสองวิธีนั่งต่อไปแนละ้วลุกถ้าจะนั่งต่อไปก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธช่วย อ, อย่าไปคิดถึงเวทนาให้ท่องพุโทโธไป ให้ถีบเลยอย่าไปคิดถึงอย่าไปคิดถึงเวทนาก็จะนั่งต่อไปได้แล้วใจก็จะสงบได้ถ้าพุโทโธไม่ไหวก็ต้องลุกทอาจารย์ครับคือต้องเปลี่ยนผ้าอะไรไม่เปลี่ยนท่านถ้าเปลี่ยนก็ถือว่ามันลุกกแล้วไงแต่มันถ้ามันเหน็ด ก, กินปวดก็ไม่รู้จะหวไหปล่อยปล่อยมันไปเพราเราต้องการซ้อมต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เราไปทําอะไรไม่ได้เราจะได้อยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมันที่เราต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วไม่ไปเปลี่ยนไม่ไม่ไปทําให้มันหายเพื่อเราต้องการจะมาสอนใจให้หัดอยู่กับความเจ็บให้ได้ครับอยู่ได้พุทโธอยู่ได้ความสงบพอจิตสงบแล้วความเจ็บก็จะไม่รบกวนจะอยู่กับมันได้ถ้าต้องฆ่ามันให้ได้ไหมถ้าอยากจะเวลามีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็ต้อง ต้อซ้อมมันไปก่อนต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรไม่ต้องกินยาก็ได้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้ครับใจไม่ปวดส่วนยามปนปวดที่ใจความปวดที่ใหญ่ปวดที่ใจไม่ได้ปวดที่ร่างกายถ้าใจไม่ปวดแล้วความปวดของร่างกายนี้ใจรับได้อย่างสบายมีอะไระบ้า ทางเดินตามร้านค้าเงี้ยม่ใช่เป็นปัญหาในใจอะค่ะการตั้งอหิ้งพระในร้านก็เหมาะสมไหมก็ไปตั้งที่มันไม่มีคนตั้งที่มันเหมาะสมที่สูงๆหน่อยแต่ถ้าเราเราเราตั้งที่บ้านเราแล้ปฏิบัติที่บ้านไม่ต้องมีที่ร้านก็ได้ใ่ไมะได้ไม่ต้องมีหิ้งพระก็ได้การปฏิบัติไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องมีพระหรือไม่มีพระพระที่แท้จริงก็คือทำที่ในใจเราสติสมาธิปัญญานี่แหละคือพระที่แท้จริงถ้ามีสติก็ถือว่ามีพระนะ พระพุทธรูปนี่ไม่ใช่พระ<ม>ไม่ใช่สติ ไ, ไม่ใช่ธรรมเพียงแต่เป็นที่เราเลือกให้เราคิดถึงธรรมคิดถึงพระพุทธรูปคิดถึงคิดถึงธรรมคิดถึงพระเท่านั้นเองแต่พระพุทธรูปเหล่านี้ไม่ได้เป็นพระเป็นเหมือนป้ายบอกคอยเตือนเราว่าเอออย่าลืมสตินะอย่าลืมพุโทโธนะเนั้นเองงั้นจะมีไม่มีไม่สําคัญถ้ามันไม่เหมาะสมก็อย่าไปตั้งมันมเก็บไว้ในที่เหมาะส ม, ม, ม, ม ก็หาที่สูงๆในมุมไหนมุมหนึ่งท <คะ S 1> <ด>ี่ไม่มีคนเดินไปเดินมาก็ได้อ่าว่าไงอย่างถ้าเกิดว่าอาโกอัใครอยู่อย่างนี้นค่ะแล้วเราตวดน้าให้คนที่เป็ น, นอัี้เขาเขาจะได้รับไหมคะรับอะไรละ่ะได้รับรับน้ำเหรอแอส่วุฒิส่งที่ให้ให้ใหเขาเอ่อ ติใครโกรธแล้วเราโกรธแล้วเขาโกรธเขาโกรธเขาโกรธเราเราไปทําให้เขาโกรธหรือเปล่าอถ้าเราไปทําให้เขาโกรธเขาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาถ้าเราอยากจะให้เขาหายโกรธเราก็ต้องไปหาวิธีทําให้เขาหายโกรธเลยช่นเราไปเอาของเขามาเขาก็โกรธเราเอาของไปคืนเขาเขาก็หายโกรธ ไม่ใช่พอเอาของเข้ามาแล้วอยากจะให้ขายโกรธก็กวดน้ำไปให้เขาเขาก็ไม่หายหรอกเช่นถ้าเราไปขโมยแฟนเขามาอย่างเงี้ยเขาก็โกรธเราเราก็เอาแฟนไปคืนเขาเลยเขาก็หายโกรดเองเข้า mm hmm. ใจไหมอา่าโกดน้ำไม่ได้กวดน้ำไปทำให้คนที่เขาโกรธเราหายโกรดไม่ได้ mm hmm. ต้องชดใช้ในสิ่งที่เราเอาของเข้ามาแต่ละ mm hmm. mm hmm. ไม่ต้องทํากับคนที่มีชีวิตอยู่คนที่ตายไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วเขาโกรธเขาก็ต้องตามจองร่างจองผ่านเราต่อไปในภพหน้าชาติหน้านอกจากถ้าเราเจอเขาในชาติหน้าเราก็ชดใช้เข้าไปถ้าเจอใครก็ไม่ชอบพี่หน้าเราก็หาหาเงินใส่ซองใส่ให้เขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ชอบเราเองพาใจไหมอ่านะม คือลูกฝึกนั่งสมาธิมาประมาณหนึ่งปีกับหเดือนค่ะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีจิตตัวนึ่งที่นิ่งๆอแล้วก็มันก็จะมีตัวนึ่งที่คอยฟูงค่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่ามันพยายามแนบลงแนบลงแนบลงค่ะแล้วก็บารทีมันก็ดิ่งลงไปเลยแล้วก็พอปึ๊บมันขึ้นมามันก็นิ่ง บางครั้งมันก็จะฟุ้ง อ, อ, อยู่อยู่ที่สติของเราไนงะสติของเรายัางไม่มัน่นคงยังล้มลุกคลุกคลาน อ, อยู่เวลามีสติมันก็นิ่งเวลามันเผลอสติมันก็ฟุ้งขึ้นมาเห็นนั่งพยายามพัฒนาสติให้มันมีอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็จะไม่ฟุง้งมันก็จะนิ่งไปเรื่อยๆเวลาไหนมันฟุ้งก็พุโทโธพุโทโธแล้วสดงว่าสติตอนนั้นเราหย่อนยานแล้วเผลอไปแล้วก็วต้องดึงสติกลับคืนมา ถ้ามันนิ่งก็ไม่ต้องทําอะไรถ้ามันนิ่งก็แสดงว่าตอนนั้นมีสติก็ปล่อยให้นิ่งไม่ต้องพิาจารอะไรคอยรู้ออตอนนี้ให้ฝึกให้ทําใจให้นิ่งก่อนเรื่องพิจารณาทางปัญญานี่ไว้รอยรอร อ, อไปก่อนือจะพิจารณาก็ได้แต่ต้องต้องไม่พิจารณาตอนที่มันนิ่งต้องพิจารณาตอนที่มันออกจากความนิ่งแล้ว พอมันเริ่มคิดเรื่องนเรื่องนี้ก็พิจารณาไปทำทันได้พิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้หลมไฟให้พิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆเรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมถ้าเราไม่ลืมเราจะได้ปล่อยวางได้ถ้าเราลืมเราก็จะไปยึดไปติดอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นเป็นของเราคือที่ลูกต้องทําต่อตอนนี้ก็คือพยายาม ไม่มีสาธิตไม่ได้งก่อนอค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะอลอย่างนั้นก็ใช้ปัญญาสอนใจสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเราต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ต้องไม่กลัวความเจ็บต้องไม่กลัวความแก่ไม่ต้องต้องไม่กลัวความตายถ้าเราไม่กลัวแล้วเราจะไม่ทุกข์ ท Z, so so so ี่เรากลัวเพราะเรายังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่เราต้องมาเปลี่ยนความอยากนี่อย่าไปอยากเพราะอยากแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีอยากแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีอยากแล้วก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันต้องแก่เจ็บตายที่เรายังอยากมันอยู่เพราะเรายังไม่รู้ว่ามันต้องแก่เจ็บตายเพืปฏิบัติ ถึงตรงที่อ่ก็จะมีสีเป็นตัวตีกรอบอ่ะค่ะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่ควรที่จะไปยุ่งไม่ควรที่จะไปแตะต้องค่ะมันก็จะคอยกัรนลุกออกกับในสิ่งที่ไม่ดีเสร็จแล้วคราวนี้มันก็จะมีในสิ่งที่เหมือนกับเป็นความพอใจค่ะเป็นความพอใจเข้ามาปุ๊บเหมือนว่าถ้ากระทาอันนี้ไปปุ๊บแต่ก็คือมันอยู่ในกรอบของสีงค่ะค่ะแล้วก็ มันก็เหมือนมีแต่เรื่องที่ลูกพอใจทางนั้นเลยเข้ามาเข้ามาแล้วก็บางทีลูกก็เพลินก็ต้องมาว่าสิ่งที่เราพอใจมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสักวันนึงมันก็ต้องไม่มีนื่จากเราไปเวลามันจากเราไปเราก็จะเสียใจเห็นทางที่ดีอย่าไปพอใจกับอะไรอยู่กับ ส, สิ่ง่อยู่กับการไม่มีจะดีกว่าพอมีอะไรแล้วเดี๋ยวสักวันก็จะต้องเสียกันจากกันไป เ, เอาใจนะและ้วหมุนแล้วมัง้งใช่ไหม <S <S 2> <S 2> อ๋อได้ครับ <iba> อาจารยานตะอนคือนะอยู่ในห้องนะคะเดินจงกลมถ้าเดินตะวตันออกตะวตันตกเนี่ยมันสั้นนะคะไม่เป็นไรที่อื่นก็ได้ถ้ า, ถามันถ้ามันจําเป็นแถ้าเดินเฉียงนี่ยมันจะยาวแต่นในห้องรู้สึกว่าเดินเฉียงมันเอมันไม่ดีหรือเปล่าคะไม่ไม่เกี่ยวแร้วเฉียงได้ได้ถ้ามันจําเป็นมันไม่ไม่ไม่ไม่มีที่เดินก็เดินไปถ้าเฉียงมันจะได้ยาว ก็ลองเดินดูถ้าเดินแล้วมันสงบมันสบายก็เดินไปถ้าเราสามารถกำหนดทิศทางได้ก็กำหนดไปทิศทางมันถูกกำหนดแ้วก็ต้องว่าไปตามที่มันถูกกำหนดไว้ตัวสำคัญอยู่ที่สตินี่าทิศไหนก็ไม่เป็นออาทิศดีแต่สติไม่มีมันก็ไม่สงบนะอาทิตย์ไม่ดีแต่มีสติมันก็สงบ อาจารย์ แ, แม่ตาฝากอะไรที่ปลุก เ, เขาเสียใจมากร้องไห้โฮฮโหยก็เขาชนเองเลยนะหมาตัวนี้เขาก็นี่แหละไม่มีปัญญาไงถ้ามีปัญญาก็ไม่ร้องโหมร้องไห้แต่เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเกิมดมีดับเป็นธรรมดาแตเสียใจที่ตัวเองเป็นคนชนก็ไม่เสียใจก็มันชนก็มันใครชนก็เรื่องมันก็มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่เสียใจแล้วมันทําให้มันกลับคืนมาได้หรเปล่า เสียใจก็เสียสองเดงเสียหมาแล้วลงมาเสียใจก็โง่สองตอนโง่าจากการไปรเหยียบหมาแล้วเนี่ยลงมาโง่าจากการมาเสียใจที่ไปเหยียบหมาอกีกก็เลยโง่สองเท่าถ้าคนฉลาดเขาก็เขาก็โง่เ ท, เท่าเดียว เ, เอ้ยอเผลอไปมองไม่เห็นเว้ยไม่เป็นกรรมหรอกถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจมันเป็นเหตุสุบิสัย บอกเลยไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นความฝันแล้วมันเป็นอดีตแล้วให้อยู่กับปัจจุบันอย่างคุนต่อเห็นไหมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมทุกข์กับอดีตพอได้สติกลับมาอยู่ปัจจุบันมันก็หายแล้วออ่าหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่เลยกลับกันหมดก็ดีมีรสชาติแปลก ก็ดีนะพอสมควรแก่เวลาเอาแล้วนะก็ขอให้ท่านที่อยู่ทางบ้านก็พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติไปสักวันหนึ่งท่านจะได้พบกับความสุขที่เลิศที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันอย่างแน่นอนขออนุโมทนา